โยมเยอะนะโยมก็ต้องช่วยตัวเองให้มากๆหน่อยนะหลวงพ่อดูให้ได้ไม่ทั่วถึงการปฏิบัติธรรมจริงๆนะเบื้องต้นต้องหัดรู้สภาวะไปเราต้องเรียนเรื่องตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจให้เราหัดรู้สภาวะของกายของใจเรื่อยๆนะไม่มีทางอื่นเลยนะการปฏิบัติไม่มีทางอื่นเนาะ งั้นเราจะต้องคอยรู้กายคอยรู้ใจของตัวเองบ่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันก็จะแจ้งขึ้นมาเองคล้ายๆเรากินข้าวกินไปเรื่อยๆนะถึงเวลาหนึ่งก็จะอิ่มขึ้นมาการปฏิบั t นี้ก็เหมือนกันให้เรารู้กายให้เรารู้ใจไปรู้ไปรู้แล้วรู้อีกอยู่อย่างเนี้ยถึงวันหนึ่งเขาอิ่มขึ้นมาเขาเต็มนะจิตม่จะพลิกตัวออกจากโลกเอง ไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะจิตเขาบรรลุของเขาเองนี่จิตจะบรรลุของเขาเองได้เนี่ยหน้าที่เราให้รู้กายให้รู้ใจบ่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันก็จะพลิกตัวออกจากโลกไปไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> จริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอก <c oughs> อย่าไปนึกวาดภาพเอาว่าการปฏิบัติคือการต้องทํำอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ มีแต่เงื่อนไขมากมายนะมีแต่การบังคับมากมายแท้จริงก็แค่รู้สึกรู้สึกอยู่ในใกายรู้สึกอยู่ในใจส่วนรูปแบบของการปฏิบัตินะ่ะใครถนัดใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้อันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญรูปแบบมันก็คล้ายๆกล่องบรรจุสินค้านะเรียกบรรจุภันุ์เถะนะตัวสำคัญคือเนื้อในของสินค้านะ ในทางการปฏิบัติเนื้อในแท้ๆก็คือเรามีสติมีปัญญาพอไหมรูปแบบของการปฏิบัติไม่แค่เปลือกงั้นมันไม่มีหรอกรูปแบบอันไหนดีกว่ารูปแบบอันไหนกรรมฐานสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนถ้าสำนักไหนรู้กายสำนักไหนรู้เวทนาสำนักไหนรู้จิตสำนักไหนรู้ธรรมก็ใช้ได้เหมือนๆกันแต่ว่าไม่ใช่อยู่ที่กิริยาท่าทางนะไม่นั่นเป็นแค่เปลือก จุดสําคัญก็คือคุณภาพในจิตใจของเราเนี่ยดีพอไหมถ้าจิตใจเรามีคุณภาพเนี่ยอยู่ในเปลือกอะไรนะเราก็พัฒนาไปได้เราก็เลือกเปลือกที่พอเหมาะพอควรกับเราเราถนัดจะรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปถนัดรู้ท้องพองยุบก็รู้ไปถนัดจะรู้อิริยาบถสี่ก็รู้ไปข ย, ขยับมือแล้วรู้สึกตัวได้อย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไป จะดูเวทนาอย่างท่านโกเอนก้าก็ได้จะหัดดูจิตตรงๆเลยก็ได้อะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกที่สำคัญคือให้มีสติคือมีปัญญาสติจะเป็นเครื่องระลึกรู้ถึงสภาวะที่กำลังปรากฏนะสติเป็นตัวไปรู้สภาวะของรู ป, ปรธรรมของนามธรรมที่กำลังปรากฏปัญญาจะเป็นตัวไปรู้ความจริงของสภาวะธรรมของรู ป, ปรธรรมนามธรรมความจริงคือการเห็นไตรลักษ ถ้ามีสติรู้ตัวสภาวะมีปัญญารู้ลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนี่ยฝึกอย่างนี้มากๆนะวันหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองหน้าที่ของเราก็คือค่อยๆพัฒนาสติค่อยๆพัฒนาปัญญาขึ้นมาส่วนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าดูท้องพองยุบหรือหายใจหรืออะไรเคยทำอย่างไรก็ทำได้นะถ้ามีสติถ้ามีปัญญา แต่ถ้าขาดสติขาดปัญญาไม่ว่าจะใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันสูงที่สุดที่ทำได้คือแค่สมถกรรมฐานอย่างมากที่สุดทำได้แค่ใจสงบนะสติปัญญามีแต่สตินะได้แต่ความสงบเท่านั้นถ้ามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยถึงจะเข้าถึงมรรคนิพพานได้ในวันหนึ่งงี่นเราต้องเรียนนะว่าทำยังไงสติจะเกิดทำยังไงปัญญาจะเกิด สติเป็นความระลึกได้ลืมซะนะลืมซะคำสอนทั้งทั้งหลายที่ว่าสติคือการกําหนดนะสติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติแปลว่าความระลึกได้นะอย่าไปแปลผิดนะบางทีเราใช้ภาษาไทยเราใช้เพลินนะอย่างเราบอกว่าทุกข์ให้กําหนดรู้อะไรเนี่ยเราพูดเราเองนะในภาษาบาลีท่านใช้คําว่าทุกขงังอริยสัจจังปริญเยยยังหมายถึงทุกขสัจนะเป็นของควรรู้รอบ ไม่ใช่ว่าทุกข์ให้กำหนดรู้ควรรู้รอบหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ตือกายกับใจรูปกับนามมีสติรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้ถึงความหายไปของกายของใจเรือมีสติมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราเนี่ยต้องรู้อย่างนี้ สติเป็นความระลึกได้สติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นเราต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆอย่างเราจะจาใครสักคนหนึ่งได้แม่นเราต้องเห็นหน้าคนนั้นบ่อยๆถ้านานๆเห็นทีหนึ่งก็จาไม่แม่นเพราะเราอยากให้สติเกิดไวๆเราก็ต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆวิธีหัดรู้สภาวะก็คือให้ตามรู้กายให้ตามรู้เวทนาให้ตามรู้จิตให้ตามรู้ธรรมหลวงพ่อใช้ควาว่าตามรู้นะ ฉะนั้นในสติปัฏฐานท่านถึงใช้คําว่ากายานุนาปัสนาปัสนาแปลว่าการเห็นอนุปวฏฐามตามเห็นกายเนืองเนืองตามเห็นเวทนาเนืองเนืองตามเห็นจิตเนืองเนืองตามเห็นสภาวะธรรมเนืองเนือตามเห็นเนืองเนืองต่อไปจิตมันจําสภาวะได้แม่นพอสภาวะอันนั้นเกิดแล้วเนี่ยสติจะเกิดเองโดยไม่ต้องชักชวนให้เกิดนะสติต้องเกิดเองนะสติที่กําหนดให้เกิดไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้ สติที่กําหนดให้เกิดนะจิตจะแข็งแข็งแน่นๆซึมๆทื่อหนักหนักนะจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่อเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตจะต้องเบาต้องนุ่มนวลต้องอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ถูกกิเลสครอบงําแค่เราอยากเดินจงกรมนะแค่เราอยากเดินจงกรมแล้วเราไปเดินนะการเดินนั้นถูกกิเลสครอบงําเรียบร้อยแล้ว คือ ถ, ถูกความอยากจะปฏิบัติครอบงาำอย่างนี้สติจะไม่เกิดละกิเลสมันครอบงำซะก่อนละะแต่ถ้าเราเดินไปโดยที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยก้าวเท้าไปเกิดระลึกขึ้นได้เห็นรูปมันเดินอยู่เนี่ยสติมันะระลึกขึ้นเองหรือใจลอยอยู่นะเราเดินเดินอยู่ใจลอยอยู่เกิดระลึกขึ้นได้ว่าใจลอยไปเนี้สติมันเกิดขึ้นมาเองสติที่เกิดเองเนี่ถึงจะใช้ได้สติที่ไปกําหนดให้เกิดไม่ใช่ของจริงนะ ลงกำหนดเมื่อไหร่ก็คือโลภะมันแทรกแล้วมีโลภะเจตนาเกิดขึ้นก็เกิดการกระทํากรรมโลภะเจตนาเนี่ยเป็นความจงใจทางใจเป็นความจงใจทางใจเป็นมโนสัญญาเจตนาทําให้เกิดการกระทํากรรมการกระทํากรรมก็คือใจมันทํางานขึ้นมานั่นเองด้วยอํานาจของโลภะเจตนาเราทําขึ้นมาแล้วความทุกข์มันจะเกิดความเป็นตัวตนมันเกิดความทุกข์มันเกิด แล้วให้คอยรู้สึกนะสวนสติเกิดเองให้คอยตามดูกายตามดูใจของตัวเองอย่าลืมกายอย่าลืมใจหลวงพ่อพูดทุกคราวเลยนะว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้มีสองอนอันหนึ่งลืมตัวเองเผลอไปส่วนใหญ่เผลอไปคิดอีกอันหนึ่งคือไปเพ่งกายเพ่งใจไปกําหนดกายกําหนดใจนี่แหละตัวกําหนดกายกําหนดใจนะกําหนดมากเข้ามากเข้ามันจะกลายเป็นการเพ่งนะเพ่งแล้วกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกเพ่งไปเท่าไหร่ก็ไม่มีไตรลักษณ์ให้ดู งั้นให้คอยรู้ไปเล่นๆนะใจโกรธขึ้นมาก็รู้เนี่ยนั่งฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็เห็นด้วยก็พยักหน้านก็รู้สึกอ๋อเมื่อกี้หลงพยักหน้าไปละแม้ตามรู้เมื่อกี้พยักหน้าตอนนี้เออรู้สึกขึ้นมาว่าเมื่อกี้เผลอเนี่ยนะอย่างนี้สติมันจะเกิดจะตื่นขึ้นมาได้แวบหนึ่งนะตื่นขึ้นมาทีละขณะเท่านั้นไม่เติรนมากหรอกนะตื่นเป็นขณะขณะขณะไปงั้นหัดรู้สภาวะนะแล้วันหนึ่งสติจะเกิด นี้พอสติจะเกิดแล้วก็ต้องฝึกต่อไปให้เกิดปัญญานะถ้ามีสติอย่างเดียวรู้รูปธรรมรู้นามธรรมไปเรื่อยๆมันจะเป็นการเพ่งอารมณ์การเพ่งอารมณ์หลายคนฝึกกรรมฐานอย่างไปรู้ลมหายใจนะสติไปกำหนดอยู่ที่ลมหายใจกลายเป็นการเพ่งลมหายใจได้สมถะบางคนดูท้องพองยุบสติกำหนดอยู่ที่ท้องจิตไม่หนีไปไหนเลยอยู่ที่ท้องอย่างเดียวนะได้สมรรนะ เดนจงกลมยกเท้าย่างเท้าจิตแนบอยู่ที่เท้าไม่หนีไปไหนเลยได้สมถนะเพราะอะไรเพราะการเพ่งตัวอารมณ์เนี่ยเรียกว่าอารามณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์คือการทําสมถะกรรมฐานนะส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเห็นลักษณะของอารมณ์เห็นไตร ล, ลักษณนะ์ถ้าไม่เห็นไตร ล, ลักษณ์ด้วยปัญญาเนี่ยไม่เรียกว่าวิปัสสนาะนี่ปัญญาเกิดจากอะไรนะ ปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้นใจเราต้องมีสัมมาสมาธินะทีนี้ต้องเรียนแนละ้วทยังไงสัมมาสมาธิจะเกิดไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดเองนะไม่มีอะไรเกิดเองหรอกทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงฝึกขึ้นมาทั้งนั้นนะอยากให้มีสัมมาสมาธิเราต้องเรียนธรรมะในหมวดที่ชื่อว่าจิตสิกขาจิตศิกขาใครๆได้ยินเรื่องไตรศิกษาใช่ไหมศีลสิกษาทํำยังไงกายวาจาใจเราจะเป็นปกติ จิตสิกษาทำยังไงจิตของเราจะพร้อมแก่การเจริญวิปัสนาะปัญญาศิกษาก็คือการที่ได้เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะนี่จิตศิกษาคือการเรียนรู้เรื่องจิตตัวเองนะให้คอยสังเกตจิตใจตัวเองไปจิตใจเราไหลแวบไปหลงไปคิดก็รู้สึกขึ้นมาไนะหลไปคิดก็รู้สึกขึ้นมาโลภขึ้นมาก็รู้สึกขึ้นมานะจิตใจเป็นยังไงคอยรู้สึกไปรู้ไปรู้ไปนะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะ อันนี้เป็นวิธีสําหรับคนทําฌานไม่ได้แต่ถ้าคนไหนทําสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิได้เนี่ยก็จะทําจิตสิกขาได้เต็มภาคภูมิทําความสงบจิตเข้ามานะจนถึงฌานที่สองต้องฌานที่สองนะฌานที่หนึ่งยังไม่ไม่พอฌานที่หนึ่งมีวิตกมีวิจารใจยังตรึกใจยังตรองยังไม่พ้นจากโลกของความคิดอยู่เพราะฉะนั้นยังจะไม่ได้ตัวรู้ที่แท้จริงขึ้นมา ฉะนั้นให้ทำแต่จนถึงฌานที่สองมันดับมิตกิจารนไปจะเกิดสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นชื่อว่าเอกโกที่ภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเพราะเอกโกที่ภาวะเกิดขึ้นคือธาตุรู้เกิดขึ้นตัวรู้เกิดขึ้นเอกโกที่ภาวะเนี่ยอธิกาานอธิบายว่าคือสัมมาสมาธินั่นเองใจมันมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมามันก็จะเห็นว่าองค์ธรรมทั้งหลายที่เกิดในฌานนั้นนะก็เป็นของถูกรู้ถูกดูนะ พอจิตถอยออกจากฌานมาแล้วมาสู่โลกภายนอกเนี้ยอำนาจของสมาธิที่เราฝึกมาเต็มภาคเต็มภูมิเนียมันจะส่งผลให้ตัวรู้เนียยังเด่นดวงอยู่นมันจะตั้งรู้ขึ้นมาเมื่อมีตัวรู้เด่นดวงอยู่เนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมจใจตั้งมัน่นเราก็จะเกิดปัญญาก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา จะเห็นเลยว่าเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกความรู้สึกเฉยๆนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดนะจะเห็นว่ากุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดนะี่ฝึกเพียงนี้เรื่อยๆไปนะพอกําลังของสมาธิเสื่อมจิตเก็ไหลเข้าไปคลุ ก, กอารมณ์นะก็มาทําความสงบใหม่จิตก็ถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอีกนะเข้าออกเข้าออกฝึกอ ย, อย่างนี้นะอันนี้เป็นสําหรับคนซึ่งทําชาญได้ แต่คนที่ทําชานไม่ได้ดูกายลำบากนะดูเวทนาลำบากให้ดูจิตไปเลยถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไม่สงบจิตมันฟุ้งซ่านพอรู้ว่ามันฟุ้งซ่านมันจะสงบของมันเองใจมันจะสงบใจมันจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะนะได้ได้นิดเดียวแต่ดีกว่าไม่ได้เลยพอนะใจตั้งมั่นขึ้นมาชั่วแวบเนี่ยถ้าสติะระลึกรู้กายจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราสติะระลึกรู้เวทนานะไม่ได้จงใจนะมันะระลึกเองนะถ้าจงใจะระลึกไม่ใช่ของจริง สติะระลึกรู้เวทนาก็เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราสติะระลึกรู้จิตสังขารนะก็จะเห็นเลยกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเนะี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีปัญญาเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวเรานะเรียกว่าการทําวิปัสสนาทําไปเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆในความเป็นจริงตัวเราไม่มีในความเป็นจริ ง, ร ม, ม, นะ ม, รงมันเป็นความว่างเปล่าตัวเราไม่มี แต่ความไม่รู้ทําให้เราสร้างตัวตนขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็หลงติดอยู่กับมันหลงประคองลงรักษาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะรักษาความเป็นตัวตนเอาไว้ทั้งๆ ท, ที่ตัวตนไม่มีนะไปหลงสร้างขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษามันไว้อย่างเหนียวแน่นนะเช่นจะทําอะไรจะขยับขยี้นเคลื่อนไหวอะไรนี่นะมันจะเสิ์ฟอัตตาตัวตนทั้งหมดเลยจะรักษาตัวตนไว้กินอาหารก็ต้องกินอาร้านแบบนี้นะต้องหรูๆอย่างนี้นั่งรถต้องอย่างนี้มันถึงจะใช่ชั้นเห็นไหม ถ้านั่งรถกับป่องอย่างนี้ไม่ใช่ชั้นละนะมันกระจอกไปเนีเวลาจะคุยออกับคนนี้ต้องหวังมาดเนี่ยชั้นต้องเป็นอย่างนี้แหละชั้นต้องเท่ๆนะชั้นเวลาคุยออกับคนนี้ต้องทําเสียงหล่ออะไรเงี้ยจะดัดแปลงปลอมแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในกายวาจาใจของตัวเองนะเพื่อเซิร์ฟอัตตาตัวตนเพื่อหลอกตัวเองว่ า, วาอัตตามีจริงๆตัวตนมีจริงๆ น, นี่พวกเราจเจริญสติมากเข้ามากเข้านะเราวันนึงเราจะเห็นว่าตัวตนไม่มีหรอก เนี่ยพวกเราค่อยๆเรียนนะถึงวันนี้เนี่ยเหมือนหลวงพ่อปลูกต้นไม้นะต้นไม้หลวงพ่อเริ่มออกดอกผลนะทยอยออกดอกผลมาเป็นระยะระยะละนะฟังทมไปเรื่อยๆนะฟังไปแล้วก็ฝึกเอาถึงวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาเลยนะมันจะเห็นเลยทุกอย่างนี้ว่างเปล่าตัวตนไม่มีจริงๆหรอกมีแต่ของหลอกๆสร้างขึ้นมานะสร้างขึ้นมาจากความไม่มีอะไรในที่สุดมันก็สลายไปสู่ความไม่มีอะไร พยายามรู้สึกนะรู้สึกไว้อย่างหลวงพ่อมาเทศที่นี่นะปีกว่าๆแล้วนะกี่ครั้งแล้วใครจาได้ต้องดูว่า c ีดีมันแผ่นเท่าไหร่สิบแปดครั้งนะครั้งนี้สิบเก้าหรือเปล่าครั้งนี้สิบแปดสิบแปดครั้งเนี่ยพวกเราจำนวนมากมีพัฒนาการที่น่าพอใจนะจำนวนมากเลยใจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายคนมีความทุกข์มากในชีวิตตอนนี้ความทุกข์เบาบางลงแต่ละคนเคยเผลอนานๆเผลอทั้งวันตอนนี้เผลอสั้นลงเห็นไหมเคยมีกิเลสรุนแรงตอนนี้พอกิเลสไว้ตัวแวบก็มองเห็นแล้วกิเลสก็สลายตัวไปก่อนที่มันจะรุนแรงขึ้นมานะพวกเราฝึกอย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยๆอย่างที่ศาราลุงชินเนี่ยหลวงพ่อมาที่นี่นะมาที่เดียวแหละไม่ได้ไปที่อื่นเพราะที่นี่ยครูบาอาจารย์ท่านสั่งต่อๆกันมา หลวงพ่อุทธนะ่ะท่านสั่งไว้บอกอย่าทิ้งสาราลุงชินนะหลวงปู่เหรียนท่านก็พูดเหมือนกันะหลวงพ่อก็ลูกหลานท่านนะก็ต้องรักษาปณิธานของพ่อแม่ครูอาจารย์ไว้มาที่นี่ทีแรกมาก็มาอย่างนั้นเลยนะมาเพราะครูบาอาจารย์สั่งไม่รู้จะมาทําไมเหมือนกันมาแล้วโอ้เห็นทีแรกก็ท้อใจนะมืดตืดต้อเลยนะ ท, ทั้งทั้งที่หลอดไฟเยอะนะแต่มันมืดนะ เพราะอดทนนะพวกเราก็อดทนฟังหลวงพ่อก็อดทนพูดไปเรื่อยๆนะด้วยความอดทนทั้งสองฝ่ายวันนี้ก็พอเข้าใจทําไมครูบาอาจารย์ถึงสั่งให้มาสอนอยู่ที่นี่ไม่ให้ทิ้งนะเพราะที่นี่เป็นที่ที่บ่มเพาะผู้คนจนํานวนมากขึ้นมานะสร้างผู้ที่มีการเจริญสติขึ้นมาเป็นจนํานวนมากนะถ้าเรายังเจริญสติอยู่เนี่ยมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะ บางคนนั่งฟังฟังอยู่ในนี้แหละปิ๊งขึ้นมาก็มีนะมีพอหลวงพ่อหยุดพูดสังเกตไหมจิตทำอะไรบ้างจิตหนีไปคิดเห็นไหมส่วนใหญ่จิตจะหนีไปคิดหลงไปคิดให้รู้สึกนะหลงไปคิดแล้วก็รู้สึกเอารู้สึกเอาจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากหรอกนะง่ายครูบาอาจารย์แต่ลงจะสอนนิดเดียวยิ่งแก่ยิ่งสอนสั้นหลวงพ่อสั้นลงเรื่อยๆแล้วรู้สึกไหม <laughs> อยางลวงปูดดูลนะสอนเหลือนิดเดียวดูจิตเลือนิดเดียวนะอาจารย์มหาบัวเคยไปเรียนกับท่านท่านก็สอนนิดเดียวมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันสอนแค่นี้เองนถะ้ารู้สึกรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะอย่าไปบังคับมันนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาเองเรีย น, นี้เทศได้สิบห้านาทีจบนะ <c oughs> อาใครจะเชิญ ใครจะคุยวันนี้ทีมงานเตรียมพร้อมข่าวก่อนทีมงานเตรียมตัวไม่ทันคือการก่อนหลวงพ่อเทศไปสักสิบนาทีใช่หไหมมีคนจิตว่างวาบขึ้นมาว่าวาบว่าบด้นมาเลยนะว่าความว่างมากระทบใจหลวงพ่อเขาธรรมะก็หายไปหมดเลยนะงั้นถ้าไปฟังซีดีข่าวก่อนนะนะอย่าสังเกตหลวงพ่อเทศนิดเดียวนะก็เลิกแล้วหยุดแลแน้วนะแล้วธรรมะหายไปหมดแล้ว ธรรมะหายไปเนี่ยนะเพราะจิตฝ่ายกุศลก็ได้เพราะจิตอกุศลก็ได้ที่ผิดปกติที่แรงกว่าปกตินะอย่างเกิดมีจิตอกุศลที่รุนแรงผิดปกติพรวดเข้ามากระทบนะธรรมะก็หายไปจิตที่เป็นกุศลรุนแรงมากระทบธรรมะก็หายไปเหมือนกันนะกลืนไปสู่ความว่างไม่มีอะไรนะอ่ะใครจะคุยเชิญจะกราบขอโอกาสหลวงพ่อให้กับอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวก่อน ให้กับคุณป้าที่เป็นแม่ชียอ่ะค่ะได้ถามหลวงพ่อค่ะเออว่าไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะรู้สึกใจเต้นผิดปกติเจ้าค่ะก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรหลอกเจ้าค่ะแต่รู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อยเดินหน้าเจ้าค่ะก็ถ้าเราไม่ไปทําแค่สมถะนะให้เราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูกายดูใจเรื่อยๆ นี่บางทีใจเราสงบไปแล้วมันไม่ยอมดูกายดูใจก็มีถ้ามันสงบแล้วมันไม่ยอมรู้กายรู้ใจเนี่ยให้ช่วยมันคิดนะให้คิดทีจารณาร่างกายลงไปคิดทวนเลยในเนี้แหละผมคนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายนียเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญานะนั้นแม่ชีอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งๆอยู่ตอนเนี้ไปติดความรู้สึกที่นิ่งๆไว้นะอย่าไปกดมัน การปฏิบัติไม่ค่อยเดินหน้าเจ้าคะมันไม่เดินไปไหนดอกนะมันมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสตินะมีเท่านั้นแหลนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกไปอย่างตอนเนี้ยจิตแม่ชีหนีไปคิดแล้วทราบไหมไม่ทราบเจ้าคะเออไม่ทราบต้องหัดทราบนะไม่งั้นมันจะนิ่งๆนิ่งๆแล้วเราก็ไม่รู้ร่างกายมีอยู่หรือร่างกายเคลื่อนไหวก็ไม่รู้จิตมีอยู่หรือจิตเคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้มันจะไม่เกิดปัญญานะ ถ้าอยากมีปัญญาแม่ชีต้องดูกายดูใจให้มากๆดูความเปลี่ยนแปลงอย่าไปเพ่งให้นิ่งปล่อยให้ใจทํางานไปแล้วก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆหลวงพ่อเมื่อก่อนหนะ้าฝึกตั้งแต่เด็กๆยี่สปีฝึกเพ่งไว้ฝึกรู้ลมหายใจจิตไปอยู่กับลมอยู่กับลมนิ่งๆนะไม่มีปัญญาเสียเวลาไป2ี่สิบสองปีจะว่าเสียเวลามันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเรายังไม่เจอครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราได้ เข้าไปเจอหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อไม่เอาแล้วไอ้ลมติดลมนิ่งๆอยู่เงี้ยเนะขาติดมานานหลวงปู่สอนบอกให้ดูจิตตัวเองตามรู้ตามดูตลอดเลยเห็นแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆทีแรกดูแล้วยังเข้าใจไม่เข้าใจดูไม่เป็นไม่เข้าใจมันไปพยายามแทรกแสงมันนะจิตไม่ดีพยายามทำให้ดีจิตไม่สงบพยายามทาให้สงบเนะี่ยจิตมีอกุศลพยายามเปลี่ยนให้เป็นกุศลทีแรกดูไม่เป็น ไม่ได้ดูหรอกเป็นการไปพยายามแทรกแสงนะนี่พอเราหัดดูไปเรื่อยหลวงปู่ ด, ดูลท่านก็บอกว่าไม่ถูกนะอย่าันไม่ถูกเป็นการยุ่งกับอาการของจิตหลวงพ่อก็เปลี่ยนมารู้รู้มันเฉยๆนะมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วรู้เฉยๆเขแม่ชีมันติดนิ่งไปนะเขาแม่ชีต้องช่วยมันคิดนิดนึงพิจารณาร่างกายบ่อยๆนะมันจะกระตุ้นให้จิตทํางานขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าจะสอนลูกศิษย์ให้พิจารณากายจําเป็น ถ้า พ, พระทำสมาธินานๆทำมากแล้วติดนิ่งติดเฉยครูบนะาอจายก็บอกให้มาคิดพิจารณากายความจริงคิดเรื่องอย่างอื่นก็ได้นะก็ทำให้จิตเคลื่อนขึ้นมาเหมือนกันแต่ถ้าให้ไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวศึกไปหมดเนะช่นคิดพิจารณาว่าสาวมันสวยอย่างเงี้ยแทนที่จะพิจารณาตัวเองว่าเป็นอสุภนะไปพิจารณาว่ามันสวยมันงามนะงั้นแม่ชีต้องค่อยๆเรียนเอานะ เ, าเชิญคนต่อไปเนาะ กลับมาสการหลวงพ่อคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งครั้งแรกค่ะพูดดังๆหน่อยนะหลวงพ่อแก่แล้วหมไม่ค่อยได้ยินแล้วถามครั้งแรกคะ่กนะเคยมาที่ศาราลงชินแล้วก็ฟังซีดีค่ะก็จากนั้นก็ดูกายดูจิตตามไปเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งอะคะ่ะเขา้าคือทํากิจวัตรประจําวันตามปกติคือแล้วก็รู้สึกแวบเดียวเลยคะ่ะว่ากายเนี่ยไม่มี แล้วก็ความรู้สึกกลัวเข้ามามแวบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็หายไปอืมค่ะแล้วก็จากนั้นก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับดําเนินชีวิตตามปกตินั่นแหละฝึกไปอย่างนี้นะฝึกไปอีกยังไม่พอคือแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าตัวเรามีอยู่อย่างแท้จริงกายนี้คือตัวเราจิตนี้คือตัวเราเราจะคิดอย่างนี้เราเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นเลยว่ากายกับจิตนี้เป็นตัวเราพอเราหัดเจริญสติจนใจมันมีสตินะระลึกรู้สภาวะได้ แล้วก็จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นมันก็มีปัญญาขึ้นมาเห็นไหมจิตตั้งมั่นมีสัมมาสา ม, มาธิขึ้นมามันก็เกิดปัญญาเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เรานี่ความที่เรายึดถือในกายนี้เป็นตัวเราอย่างเหนียวแน่นเนี่ยพอเราไปเห็นคราวแรกว่ากายนี้ไม่ใช่เราจริงๆเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบางคนมันจะกลัวขึ้นมาบางคนรู้สึกว่าน่ากลัวเหมือนผีหลอกนะแต่ว่าไม่ได้กลัวเหมือนกลัวผีมันกลัวแบบบอกไม่ถูกเลย ในความจริงกลัวลึกๆก็คือกลัวตัวเราหายไปว่าตัวเราหายไปไหนตัวเราหายไปไหนดูสิรักรักตัวตนขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะไม่รู้หรอกว่าตัวตนนั่นแหละนำความทุกข์มาให้เราก็ไปหลงรักไอ้สิ่งที่นำความทุกข์มาให้แลพอเรามีสติมีปัญญาขึ้นมาเห็นว่าตัวตนจริงๆไม่มีนะตกใจกลัวบางคนไม่กลัวบางคนรู้สึกเบื่อจับจิตจับใจนะเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะตัวเราหายไปแล้ว นะไม่รู้จะอยากได้อะไรไปเพื่ออะไรแล้วเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างบางคนจะรู้สึกหงงๆงจับอะไรไม่ถูกนะจะว่ากลัวก็ไม่เชิงจะว่าเบื่อก็ไม่ใช่นะใจมันเวิงวางหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้รู้สึกวังเวงใจอ่างเงีนะ้ยเมื่อสภาวะใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทันลงไปอีกสภาวะนั้นก็จะดับอย่างเรากลัวขึ้นมาเราอยู่ๆบางคนยกมือขึ้นมาจะหวีผมเมื่อวานหรือวันสุ่ยก็มีคนเล่า ขยับมือจะหวีผมนะเห็นไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นมันเป็นท่อนๆ น, นั่นคือเห็นอะไรเห็นรูปนั่นเองนะตาเห็นรูปละตามองเห็นรูปตาไม่ใช่มองเห็นมือของเราแล้วเนี่ยสติปัญญามันชําแรกความรู้สึกว่าเป็นมือของเราออกไปเหลือแต่รูปพอเห็นอย่างนี้ตกใจนี่เลยไม่ได้มักผลกับเขาหรอกเพราะตกใจซะก่อนนะถ้าถ้ามีสติปัญญาต่อไปโ อ, อ้โหนี่สักว่ารูปนะธรรมชาติที่เห็น ก็เป็นศักวะนามนะไม่มีตัวเราอย่างแท้จริงเนี่ยใจอิ่มเอิบยอมรับนะก็ตัดสินความรู้เลยเป็นพระโสดา บ, บันไปเลยแต่นี้ผวาวยุ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันยื่นมือมาแล้วนะอย่างนี้น่ากลัวนะให้รู้สึกเอานะดีแล้วรู้สึกไปแสดงว่าเริ่มก้าวหน้าแล้วครับเออกลับนวัต ก, การมหลวงพ่อครับเออจะถามหรือจะนวัต ก, กรรมนะเออขอส่งกันบ้านนะครับ คือตอนนี้รู้สึกว่า จ, จิตใจจะละลึกรู้สภาวะที่ไม่รู้ว่าอะไรคล้ายๆอย่างนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ปรามัดหรือเปล่าครับหลวงพอ่อแล้วก็ตลอดวันจะมีคล้ายๆว่ามีความสุขขุดขึ้นมาเออั่นแหละคือจิตมันมีสตินะมันจะเกิดโสมนัสโสมนัสเวทนามันเกิดกึ่จิตซึ่งเป็นกุศล น, นะอันเนี้ยแต่จิตอกุศลก็มีโสมนัสได้นะ แต่ว่าอย่างนี้เรามีสติขึ้นมามันมีความสุขผุดขึ้นมาโชยแผ่วๆนะสมานั้นี่มันจะช่วยหล่อเลี้ยงทำให้เราขยันขยันดูแต่เดิมเราคิดว่าต้องไปคลุกกับโลกถึงจะมีความสุขนะต้องไปจีบสาวต้องไปดูหนังฟังเพลงต้องไปกินน้นนี้มีความสุขพอเรามีสติขึ้นมาก็มีความสุขเนี่ราวนี้จะทำยังไงดีมันมีความสุขทั้งวันช่วยไม่ได้ละ ช่วงนี้รู้สึกว่าจะหนีทางโลกเพิ่มขึ้นครับอย่างเช่นหนีการฟังเพลงเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกจิตใจมันจะร้อนๆข้างในเป็นการหนีโลกหรือเปล่าครับหลวงพ่อไม่เป็นไรไม่ต้องฟังอะเออแล้วต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้างไหมครับอย่าขี้เกียจนะรู้ลูกเดียวเลยถ้าภาวนาภาวนามาจนถึงอย่างนี้แล้วขี้เกียจนี่โง่ที่สุดเลยนะเอาไปเดินต่อไปหน้าวันหนึ่งก็จะได้ธรรมะละน้ัสการหลวงพ่อค่ะ เพิ่งจะคายออกจากเพง่งคราวนี้หนูก็ไปดูต่อแต่ว่าหนูไม่แน่ใว่าตอนนี้หนูกลับไปเพ่งอีกตรงใจปฏิบัติเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนภาวนาไปแล้วมันไม่มีความสุขละค่ะคือตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้กลับไปเพ่งหรอกนะแต่มันเริ่มเห็นความจริงในกายในใจนี้ล่ละว่ามันมีแต่ทุกข์นะไม่ใช่ภาวนาแล้วมีความสุขแต่ภาวนาจนมันเห็นความจริงว่ามันมีแต่ทุกข์นะทําต่อไปอีกอยังไม่พอ มันต้องทุกกว่านี้อีกใช่ไหมโอ้มันต้องมีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าวันใดภาวนาแล้ว เ, เห็นนะในโลกนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนั่นแหละจะข้ามโลกละนะการที่โลกดึงดูดเราไว้ได้นะเพราะเราเห็นว่าโลกนี้มีความสุขแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาจะเห็นโลกนี้มีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงบัาง ทุกเพราะถูกบีบคั้นบ้างทุกเพราะเราบังคับมันไม่ได้จริงไม่สมอยากบ้างเนะนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะมากเข้ามากเข้าใจก็จะสลัดตัวออกจากโลกไปแล้วมันจะไปพบความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขที่เหนือโลกนะมีนะความสุขเหนือโลกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยสัมผัสทีแรกนะเหมือนจะตายเลยนะมันสุขมากไปหนูเพิ่งม า, มากาบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งจะเริ่มปฏิบัติอะคะ่ะหนูคิดว่าหนูแยก จิตกับความคิดไม่ได้ค่ะหลวงพ่อฟังไม่ออกคือหนูหนแยกจิตกับความคิดไม่ได้ค่ะอ๋อหนูอย่าไปอยากแยกให้เราตามรู้ความรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันแยกเป็นเองนะหัดรู้ความรู้สึกไปเรื่อยๆเช่นกโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธโลภขึ้นมารู้ว่าโลภใจลอยรู้ว่าใจลอยนะดีใจเสียใจรู้ว่าดีใจเสียใจหัดรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วความโกรธก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง จิตเป็นคนไปรู้มันเข้าความโลภเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตเป็นคนไปรู้มันเข้านี่มันเริ่มแยกออกไปต่อไปก็เห็นอีกความคิดก็เป็นสิ่งหนึ่งนะจิตก็อยู่ต่างหากจิตเป็นคนไปรู้ความคิดเข้านี่นค่อยๆหัดอย่างนี้เดี๋ยวก็แยกได้แต่ว่าอย่าไปจงใจหัดแยกนะให้ตามรู้ความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปน้อมใจให้ซึมติดการน้อาใจให้ซึมอยู่นะเลิกซะนิสัยนี้ไม่เอานะน้อมใจให้ซึมมันจะได้ประโยชน์อะไร บางคนนะฝึกตัวเองจนกลายเป็นซอมบี้เนี่ยใครเห็นเขาก็กลัวนะมันไม่น่านับถือตรงไหนเลยฝึกทำไมให้กลายเป็นซอมบี้ฝึกแล้วรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หลายคนไปวาดภาพพระอรหันเหมือนผีดิบนะพระอรหันเนี่ยจะต้องไม่นั่งต้องนั่งแล้วต้องไม่กระดิกกระดิกถ้ากระดุกกระดิกแสดงว่าถูกตันหาครอบงานั่งนั่ง เอาละสมมติหิวน้ำแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่มีนะพระละหันพิการปานนั้นน่ะ <c oughs> ดูอย่างพระสารีบุตรใช่ไหมจะข้ามท้องล่องนี่เห็นท้องล่องพระโดดข้ามเฉยเลยเนี่ยไม่ไปยืนพิจารณาอยู่สามวันแล้วก็ไปหยิบไม้มาพาดนะอย่าไปฝึกตัวเองให้ผิดธรรมดาเราต้องการเรียนให้เห็นว่าธรรมดาของเราเป็นยังไงธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของจิตเป็นยังไง เราตามรู้ความเป็นธรรมดาของกายตามรู้ความเป็นธรรมดาของจิตวันนึงเราก็จะเห็นเลยธรรมดาของมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราพอรู้แล้วมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยใจจะคลายความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราแล้วก็จะรู้เลยว่าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้ด้วยในกายในใจนี้ก็ไม่มีตัวเราตัวกายตัวใจก็ไม่ใช่ตัวเราะจะเห็นเลยตัวเราไม่มีเนี่ยพอตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ล่ะ ใครจะทุกขันมันก็ทุกไปสิไม่ใช่เรื่องของเราแล้วนี่เพราะมันไม่ใช่ตัวเราอ่ต่อไปมการหลวงพ่อค่ะหนูเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อไปแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าหนูติดเพ่งอยู่ค่ะตอนนี้งตงื่ น, นแตนะ้แล้วเราดูออกไหมที่หลวงพ่อว่าติดเพ่งอะ่ะก็รู้สึกว่ามันเก่งมากค่ะก็เลยเลิกปฏิบัติจิตขนะนี้กับจิตที่ส่งกันบ้านคราวก่อนแตกต่างกันยังไงดูออกไหม รู้สึกว่ามันโล่งขึ้นนะค ะ, ะแล้วก็สบายมากขึ้นรู้สึกไหมมันโล่งแล้วมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวได้แต่ถ้าเราไปเกรงนิงน่งๆเพง่งไว้นิงน่งๆ น, นะมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมันนิ่งอยู่อย่างนั้นเองค่ะมันคล้ายๆเรามีลูกแมวสักตัวหนึ่งนะเราเอามือไปกดตัวมันไว้นิ่งติดอยู่กับพื้นเนี่ยลูกแมวไม่กระดุกกระดิกนะแต่ถ้าเราแค่รูปๆมันนะแมวก็กระโดดไปทางโน้นมั่งกระโดดไปทางนี้มั่งเนี่ยเราเห็นแมวมันเคลื่อนไหว หนูหนูรู้สึกว่าใจง่ายอะค่ะคือว่ามันเผลอคิดเยอะเหมือนกันแล้วก็เผลอมองเยอะนั่นแหละดีนั่นแหละดีนะการที่เรารู้ว่าจิตเผลอไปนะขณะที่รู้ว่าจิตเผลอไปขณะนั้นมีสติขึ้นมาแล้วนะเพราะฉั้นอกุศลเกิดขึ้นนะเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้อกุศลเช่นจิตหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะแล้วสติระลึกรู้ทันเห็นไหมเกิดสติขึ้นมาเกิดกุศลขึ้นมาแทนนะอย่างนี้ดีที่สุด แต่ถ้าเราเพ่งนิ่งๆไม่หลงไปไหนเลยแต่นิ่งซึมกระตืออยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีไตรรักษ์ให้ดูนั้นดีขึ้นนะคต้องมีอะไรแก้ไขอยู่ไหมคะหลวงพ่อไม่ไม่ต้องแก้นะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ใจมันยังบอบช้ํามาจากการที่ถูกกดมานานอยู่รู้สึกไห ม, ามาแต่ก่อนกดอยู่ได้่อย ๆ, ๆไม่รู้สึกว่าบอบช้านะพอเลิกกดเราถึงรู้ว่าช้าไหนไปหาใบาบัวโบกกินนะไปมันบอบช้ําอยู่นะ ในมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้หดูได้มีโอกาสมากราบส่งการบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกรู้สึกใจตื่นเต้นตลอดเวลาครั้งแรกที่แม่ชีท่านแรกตรงกับขณะภาวะจิตตัวเองคือตื่นเต้นตอนนี้ยังไม่ใจยังไม่หายตื่นเต้นเลยแต่ก็ปรารถนาวันนี้ตั้งใจว่าขอได้มาส่งการบ้านหลวงพ่อเพื่ออยากทราบว่าขณะตอนนี้เนี่ยหนูส่งหนูเป็นคนที่วิตตกจริตสูงคือชอบคิด สิ่งข้างหน้าเป็นความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยไม่เหมือนกับว่าตัวเรายังมันคือได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อได้พอสมควรแล้วก็พยาัญ จ, จัจจ์หลักว่าเรายังบกพร่องตรงไหนแล้วทําไมถึงยังเป็นมีภาวะ ต, ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาก็เลยเไม่ทราบว่าหนูยังติดเรื่องของสมถะที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าหนูเป็นคนที่คิดมากก็แสดงว่ามีวิตุจริตสูงใช่ไหมคะก็คือควรจะดูจิต ทีนี้ก็ได้มีฟังประโยคหนึ่งของหลวงพ่อบอกว่าอย่าทิ้งสมถะน้หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าวิตกจริตให้ดูจิตนะไม่ใช่ล่ะค่ะจริตค่ะวิตกจริตนะมีราคาจริตโทสะจริตโมหะจริตใช่ไหมวิตกจริตพุทธที่จริตศรัทธาจริตหกจริตเนี่ยเอาไว้เลือกอารมณ์ทําสมถะส่วนอารมณ์ทํำจริตสําหรับการทํามิปัตสนามีสองจริตอย่งคือตัณหาจริตกับทธิชิจริต พวกรักสุกรักสบายรักสวยรักงามกับพวกชอบคิดสนุกกับการคิดนของคุณไม่ใช่สนุกกับการคิดของคุณคิดแล้วกลุ้มใจใช่ค่ะคิดแล้วกุมใจเั้นของคุณเนี่ยนะค่อยรู้สึกหายใจไว้ะหายใจไปเรื่อยๆหายใจแล้วก็ดูจิตหายใจแล้วพอจิตหนีไปคิดแวบรู้ทันว่าจิตหนีไปมารู้เราอีกหนีไปอีกแวบรู้ทันอีกหายใจแล้วจิตไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ลมก็รู้ทันจิตอีกนะไปหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะค่ะอ คนต่อไปกับนำมัสการเจ้าค่ะลูกมาขอถวายการบ้านให้พระอาจารย์ช่วยตรวจเจ้าค่ะงอถวายง่ายเห็นกิเลสบ่อยไหมวันหนึ่งวันหนึ่งทราบว่าเผลอบ่อยเจ้าค่ะแล้วก็เผลยาวด้วยเจ้าค่ะเนาะบ่อยกับยาวมันไม่เกิดร่วมกันนะอย่างวันนี้เผลอยาวยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่บ่อยเลยมีครั้งเดียวเอาสอย่างเผลบ่อยหรือเผลนาน เอางี้ให้มันเผลอบ่อยๆได้ขั้นแรกนะหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนท<ม>่องพุโทโธไว้ก็ได้นะพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆมันจะช่วยให้จิตใจเนี่ยจสภาวะได้เร็วขึ้นนะถ้าเราอยู่ๆเราจะดูไปเรื่อยๆบางทีก็หลงนานนะงั้นมีรูปแบบกรรมฐานสักอันหนึ่งหัดพุดโทโธไปก็ได้พุโทโธพุโทโธไปนะ แล้วก็ใจลอยไปก็รู้ทันพุทโธไปแล้วใจสงบก็รู้ทันพุทโธแล้วดูจิตไปเรื่อยๆอนะไปฝึกเอาน ะ, ะใครไม่ถนัดพุทโธจะไปเดินจงกรมก็ได้นะเดินไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินอยู่นะเห็นร่างกายมันหมุนไปหมุนมานะหรือเดินไปแล้วใจแอบไปคิดก็รู้ทันใจเป็นยังไงรู้ทันนะก็เดินจงกรมไปแล้วรู้การู้ใจไป ไม่มีอะไรมากกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจนะเป็นปัจจุบันรู้แค่นั้นไหนๆหนไปไหนละค่ะพึ่งมาครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวใครแน่ไงมีสองคนค่ะค่ะพึ่งมาครั้งแรกอะค่ะเราก็มาต่างจังหวัดก็ฝึกฝึกอยู่อะค่ะแต่ก็โกรธบ่อยกับเพอบ่อยอะค่ะโกรธบ่อยดี โกรธมันดูง่ายนะเวลาโกรธแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์ทุกแล้วนะเวลาโกรธขึ้นมาดูใจของเรานะอย่าไปดูคนที่ทําให้เราโกรธเวลาโกรธเนี่ยให้ดูใจของเรามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ดูไปอย่างนี้นะอันนี้เรื่องเฉพาะตัวนะสําหรับบางคนโกรธขึ้นมาก็รู้ว่าโกรธพนะอคุณโกรธขึ้นมานะใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาให้รู้ลงไปนะแล้วไงอีกแล้วก็เผลอบ่อยอะค่ะเผลอนี่ช่วยไม่ได้ เผลอมันต้องหาวิหารธรรมมันนึ่งนะเช่นหัดขยับตัวไปเรื่อยๆทำอะไรแล้วสบายใจบ้างที่เป็นกุศลน่ะฟังซีดีหลวงพ่อไหมฟังค่ะฟังแล้วเครียดไหมไม่เครียดค่ะเอองั้นฟังซีดีหลวงพ่อไปนะแล้วก็พอใจลอยไปคิดเรื่องอื่นก็รีบรู้ทันนี่ฝึกอย่างนี้ต่อไปมันก็จะเผลอสั้นลงมันจะไหลแวบแล้วรู้สึกแวบแล้วรู้สึกต้องฝึกนะนะอ่ะอ้าวกลไป แบบหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่าหนูเคยฝึกแบบดูเวทนามาค่ะแล้วก็ได้ตามรู้ตามดูไปด้วยค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ตามดูถูกแล้วหรือยังคะจิตใจขณะนี้กับตอนอยู่บ้านต่างกันไหมเออตอนนี้ต่างตอนนี้ใช่ได้หลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วมวีอยากให้ขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชี้แนะหนูเป็นแบบจุดเด่นที่หนูควรจะดูสภาวะอะไรเด่นที่สุดคะ สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราควรรู้สภาวะอะไรนะมีสภาวะอะไรกำลังปรากฏอยู่เด่นชัดขึ้นมาสติก็ะระลึกเองอย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจแอบไปคิดใจหนีไปคิดแล้วก็ทำใจให้อ่อนๆลงไปด้วยคิดแล้วก็ทำนุ่มๆด้วยรู้สึกไหมไม่คิดธรรมดาคิดแล้วแกล้งทำให้อ่อนๆลงไปให้เรารู้ทันตัวเองลงไปขอบคุณค่ะใจลอยไปแล้วรู้สึกไหม สั่นหน้าอยู่รู้สึกไหมออของคุณตนะ้อไปรู้ร่างกายนะร่างกายช่วยด้วยร่างเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนคุณรู้กายไปเรื่อยๆนะแล้วก็ใจเป็นแค่คนดูอยู่ต่างหากบางทีมันก็จะรู้กายบางทีมันก็จะรู้จิตนะไม่ใช่รู้จิตอันเดียวนะยังไม่เกีย่ยพยักหน้าแล้วทราบไหมทราบค่ะออออนะแต่ไม่ใช่จ้องอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้คล้ายกิ้งก่าไปออแต่ว่ามันเผลอตัวพยักหน้าเมื่อกี้เผลอไปพยักหน้า เงีย้ยใจมันจะตื่นขึ้นมาเลยน ะ, ะไม่ใช่จงใจไปรู้อย่างนี้นะรู้จงใจรู้จะทื่อๆน ะ, ะรู้เล่นๆแต่รู้โปลง่ปลงๆปรขอบคุณค่ะกกค่ะกรมนรการค่ะหลวงพ่อค่ะทราบว่าตัวเองเป็นคนมีโทสะจริตนะคะก็คือจะเป็นคนที่ อารมณ์โกรธบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอรู้สึกตัวปั๊บมันก็จะเริ่มรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคะ<ม>จากแรกๆมันจะพุ่งขึ้นมาสูงปะยืดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกแล้วก็พอตอนหลังมันก็จะพุ่งขึ้นมาทีลนิดทีลนิดอย่างเงี้ย<ม>เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เร็วขึ้น<ม>อย่างเงี้ยอย่าไปเกลียดมันนะ ให้ดูเฉยๆดูเหมือนคนอื่นโกรธแล้วก like you know, like. ็จะมีเผลอคิดนะคะอย่างนี้พอเราตามรู้แล้วเราก็เผลอคิดบ่อยๆอะค่ะเราสามารถใช้เทคนิคแบบกั้นลมหายใจอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เผลอคิดถ้าทำผิดแล้วจิตมันมีหน้าที่คิดจิตจะต้องคิดเราไม่ได้ฝึกให้จิตเลิกคิดนะแต่พอจิตมันคิดไปแล้วเนี่ยให้เรามีสติรู้ทันมันว่าจิตหลงไปคิดแล้วใจจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะ แล้วก็ภาวะแห่งความตื่นก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หลงคิดใหม่หลงคิดใหม่เราก็รู้สึกเอาใหม่อีกในที่สุดเราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็หลงคิดเดี๋ยวจิตก็รู้สึกจิตที่หลงคิดก็ห้ามไม่ได้จิตที่รู้สึกนะเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ล้วนแต่บังคับไม่ได้ทั้งคู่เลยในที่สุดก็ปล่อยทั้งคู่นะมันปล่อยเองไม่ใช่จะเอาจิตที่รู้สึกตัวนะเรารู้สึกตัวเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้หลงคิดเท่านั้นเองเผลอเผลอคิดไปแล้วแล้วพอเราเราตามรู้ว่าตอนนี้เผลอแล้วเราใช้วิธีแบบ ตบตบมืออย่างเงี้ยหรือวิธีตีขาอย่างเงี้ยเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้จดจําได้นะ่ะโอ้มันไม่จําหรอกนะบางคนนะอย่าว่าแต่ตบมือเลยบางคนเป็นเขกหัวตัวเองป๊อกปเนี่ยเนี่ยเจ้านี้แหละหลวงพ่อยังเตือนนะสหัดทีแรกเฮ้ยทากรรมฐานเขกหัวป๊อกป๊อ๊บอกเจริญสติบวกใครเข้ามาเห็นนะเขาไม่นับถือศาสนาพุทธละกว่าจะบรรลุปัญญาอ่อนก่อนอย่าไปบังคับมัน นะแต่ว่าพยายามเดินจงกรมพยายามอะไรเนี้ย mm hmm. กระดุกกระดิกไว้นะ mm hmm. หรือถ้าบ้านเราแคบไม่มีที่เดินแล้วก็ขยับมือไปหัดขยับมือ mm hmm. ขยับมืออย่างนี้ก็ได้นะสบายสบา ย, บายรู้สึกไปอย่างผ่อนคลาย mm hmm. เห็นมือมันกระดุกกระดิกไปเรื่อยเราเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆนะ mm hmm. แค่รู้สึกไปให้มันมีเครื่องอยู่ไว้ก่อนมีการซ้อมไหมเราไปสติมันจะเร็วขึ้นอ mm hmm. นะยัางสายหลวงพ่อเตียนใช่ไหมหลวงพ่อเตียนขยับ นะวัดไหนยุงชุมใช้กรรมฐานอย่างนี้ดนะีไล่ไปเรื่อยก็รู้สึกอ่รู้สึกรู้สึกนะแต่ไม่ใช่เพ่งมือนะไม่ใช่เพ่งให้นิ่งๆอย่าไปติดเพ่งพวกเราผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดเพ่งนะมีพวกที่คุ้นๆกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อไล่ไล่ไล่จี้ไปเรื่อยเลิกเพ่งนะตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชนะเมื่อตั้งยี่สิบปีก่อน ก็พาเพื่อนๆไปหาครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ไปกราบวัดโน้นวัดนี้นั่งรถตู้กันไปบางทีครูบาอาจารย์หันมามองเลยว่าไอ้กลุ่มนี้มันไปรวมกันมาได้ไงมันตื่นมาทั้งกลุ่มนะจิตใจที่ตื่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเนี้ยหายากมากนะในโลกนี้ไม่มีคนตื่นหรอกมีแต่คนหลงหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเพอหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความเป็นตัวตนมันจะเกิดขึ้นคิดไปทีไรมันก็มีกูทุกทีมีเราทุกที สังเกตไหมเวแบบลาเราคิดมันจะมีเราอย่างง้อนเราอย่างงี้ขึ้นมาถ้าโมโหขึ้นมาก็กูอย่างง้อนอย่างงี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้ทันนะใจไม่หลงออกไปในโลกของความคิดความเป็นตัวตนก็จะไม่มีแต่เราไม่ได้ฝึกที่จะไม่หลงนะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะฝึกไม่ให้หลงเลยเราฝึกว่าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ในที่สุดเราก็เห็นเลยจิตเป็นของบังคับไม่ได้จิตจะหลงหรือจิตจะรู้เนี่ยเราบังคับไม่ได้จิตไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้ จะค่อยๆ ค, คลายความยึดถือลงไปเรื่อยๆขอบพระคุณค่ะนามัส ก, การหลวงพ่อครับเดี๋ยวหลวงพ่อถามคุณก่อนจิตของคุณตอนนี้กับเมื่อหลายเดือนก่อนต่างกันยังไงบ้างที่ผ่านมาเนี่ยหลายเดือนก่อนจิตค่อนข้างจะสงบแล้วก็เห็นความทุกข์ค่อนข้างมากครับแล้วลณะะปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพจิตมีสงบ ก, กับ รู้สึกกดหูเบื่อเบื่อหน่ายเนี่ยจิตมันมีพัฒนาการขึ้นมาแล้วนะคุณจเจริญสติอย่างที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วเราเริ่มเห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นเพราะเห็นโลกตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกหนัดเพราะคลายกหนัดจึงหลุดพ้นใจของคุณห่างโลกออกมาตามลาดับคุณรู้สึกไหม มันเหมือนโลกก็อยู่ส่วนโลกใช่ไหมจิตอยู่ส่วนจิตเนะี่ยเมื่ที่คุณฝึกอยู่ดีแล้วนะคุณดูต่อไปอีกครับระหว่างที่ใจรู้สึกอย่างนี้นะครับตัวเองก็มองมันมีภาวะจิตอย่างหนึ่งที่อยากใ ห, ให้มันหลุดจากไอ้ความรู้สึกที่เบื่อหน่ายหดหูอันนี้อยากอะไรนะอยากให้มันหลุดจากสภาวะ<อ>ที่จิตใจหดหูไม่ว่ า, าจิจะไปรู้สภาวะอะไรนะให้สักว่ารู้สักว่าเห็น ถ้าใจอยากหลุดออกมาให้รู้ว่าอยากหลุดออกมาใจมีโทสะแทรกแล้วใจไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นให้คุณรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนี้ใจก็จะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเข้าไปเองแล้วเราก็จะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางนะอย่าไปเบื่อมันเบือ่อมันโทสะแทรกครับพอเห็นเห็นใจใจหนึ่งซึ่งรู้ว่าอยากจะหลุดความหดหู่งเบื่อหน่ายนี่พอมีความรู้สึกตัวตัวนิดมา มันก็มันก็หายไปนะเวลาที่เราหลงโลกนะโลกมันอริดอร่อยไม่เบื่อหรอกนะเบื่ออย่างหนึ่งก็ยังอยากได้อีกอย่างหนึ่งแต่เวลาที่เราจเจริญสติขึ้นมาใจเราเริ่มตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิขึ้นมาเนี่ยเราเห็นโลกนี้น่าเบื่อไหนครับโลกนี้ดูน่าหดหู่ไม่น่าเอาเลยใช่ไหมใจเราก็ค่อยๆถอยห่างโลกมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่ามันถอยแบบไม่เป็นกลางนะให้รู้ทันที่ไม่เป็นกลางไป ต่อไปมันจะเป็นกลางโลกก็อยู่ส่วนโลกจิตก็อยู่ส่วนจิตเป็นกลางเมื่อเราจิตของเราเป็นกลางต่อโลกเห็นโลกเป็นของไร้สาระเป็นของว่างเปล่าคุณรู้สึกไหมคุณเห็นโลกว่างเปล่าไหมเห็นโลกไม่มีอะไรนะเพราะคุณเป็นพวกที่มีปัญญากล้าคุณจะเห็นอนัตตาคุณจะเห็นว่าโลกนี่ว่างเปล่าพอคุณเห็นโลกว่างเปล่าด้วยใจที่เป็นกลางนะใจมันมีความสุขมีความสงบสงัดอยู่ในตัวเองแล้วไม่ปรุงอะไรต่อ ตรงนั้นแหะคือประตูของการบรรลุอริยมรรคงั้นตอนนี้คุณต้องดูต่อไปอีกใจมันเบื่อก็ดีแล้วให้รู้ทันลงไปอีกว่าไม่ชอบมันอยากจะพ้นจากความเบื่อให้รู้ทันไปนะ ค, คนต่อไปขอนอนุญาตครับมีอันหนึ่งที่อยากจะส่งกันบ้างให้หลวงพ่อทงอะไรบ้างนะครับคือหลวงพ่อตอนนี้มีลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะนะครับแล้วลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อก็ยังต้องการผู้ชี้ทาง อยากจะให้หลวงพ่อช่วยกระดุณารักษาธาตุขันนะครับให้อยู่กับพวกลูกศิษย์ลูกหายสักห้าสิบปีฮะตั้งห้าสิบชียวเหรอหลวงพ่อก็ปาเข้าไปร้อยกว่ามันจะไหวแล้วก็อยากให้หลวงพ่อเอางี้สิหลวงพ่อก็อยู่ไปเรื่อยๆเท่าที่อยู่ได้ก็แล้วกันนะ <c oughs> พวกเราภาวนาดีๆนะหลวงพ่ออายุยืเเยนเด้งแหละภาวนาไปเหมือนหลวงพ่อนะแต่ก่อนไปหาครูบาอาจารย์ เ้าไปกราบหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยพระอุปถากท่านจัดกันไว้ให้เลยหมายถึงพอเห็นหน้าเราเนี่ยนะจะรีบกันกันให้เข้าไปหาท่านนะพอเข้าไปกราบเรียนธรรมะท่านอะไรเงี้ยท่านตอบท่านอะไรเนี่ยนะท่านร่าเริงใจเสร็จแล้วท่านก็บอกพวกพระนะว่าถ้าท่านมีลูกสิทธิ์อย่างหลวงพ่อหลายหลคนนะท่านจะอายุถึงร้อยปีแต่นี้ท่านอยู่ได้เก้าสิบสามปีเพราะมีน้อยไปหน่อยพวกเราภาวนาให้ดีนะภาวนาไปเถอะ เพื่อตัวเองนะไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อหรอกแล้ววันนี้จิตหลวงพ่ออยู่กับขันมากขึ้นไหมจิรัตน์ิรัตน์นะกลุ้มใจว่าจิตหลวงพ่อมันพลากออกจากขัน <c oughs> อา้าวต่อไปเชิญมีไหมหมดแล้วยังนมัส ก, การหลวงพ่อครับส่งการบ้านาาครับเอยืดยืดตัวหน่อยหลวงพ่อเห็นแต่ปลายผมเออว่าไป ส, ส่งการบ้านทั้งแรกครับก็ปกติก็คือจะใช้ ใจเป็นเครื่องอยู่ครับเราไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมานี่พอจะพอจะใช้ได้แล้วจิตเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเวลาหายใจอย่าให้จิตไหลไปนอนอยู่ที่ลมนะหายใจเล่นๆหายใจแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นแค่คนดูอยู่ต่างหากอย่าหายใจแบบนี้นะอย่าหายใจแล้วจิตไปเกาะอยู่ที่ลมอย่างนี้ไม่เอานะหายใจไปเหรอหายใจสบายเห็นไอตัวนี้มันหายใจไปหายใจแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไป จิตฟุ้งซ่านรู้สึกไหมรู้สึกครับจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะอย่าไปบังคับมันเนี่ยจิตหลงไปแว บ, บหนึ่งรู้สึกไหมครับเออนะก็รู้ไปอย่างเนี้ยไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าห้ามหลงหลงได้แต่รู้สึกเอาเนี่ยเวลาหลวงพ่อหันมาทางนี้นะจำเหลืองซ้ายขวานึกว่าพระเยอะเลย <laughs> นึกว่าอ๋อมีพระมาะมากมาย ไปถึงไหนแล้วหมดแล้วหรือกล่าวนมัส ก, การครับผมฟังซีดีแล้วก็ลองปฏิบัติมานะครับ อ, อ, อยากอยากขอถามว่าผมสะสมการปฏิบัติที่ถูกหรือผิดมากน้อยมาอย่างไรบ้างครับดีแล้วนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ของคุณเพียงแต่ดูไปบ่อยๆนะอย่าถอยนะ อะไรสภาวะอะไรเกิดขึ้นคุณรู้ไปเรื่อยตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วล่ะในกิเลสอะไรเกิดขึ้นคุณก็เห็นได้เรื่อยๆนะคุณรู้ไปเรื่อยอย่าไปตรึงจิตให้นิ่งกัแล้วกันนะปล่อยให้มันทํางานไปแล้วก็คุณตามรู้ไปเรื่อยเห็นแต่มันเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนดูอย่างนี้แต่ว่าถ้าเหน็ดเหนื่อยขึ้นมานะเราก็ทําความสงบเข้ามาเป็นครั้งคลาวใช้ได้ดีแล้วนะฝึกไปเดี๋ยวนี้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วภาวนาเป็นที่เยอะมากนะ เนี่ยนายโยทีเดียวเป็นคนทำซีดีทำให้หลวงพ่อเหนื่อยทุกวันเนี้ยอ้ามีใครไหมมีใครอีกเปล่าหมดจางกราบนมรส ก, การหลวงพ่อค่ะปฏิบัติกับหลวงพ่อที่สวนสันตินันมาสามเดือนทั้งอ่านหนังสือและฟังซีดีอะค่ะอยากจะกราบเรียนถามว่าขณะนี้โยปฏิบัติได้เป็นยังไงนะคะต่อไปโยไม่ต้องพูดดีกว่าแนละ้ยโยพูดเหมือนกับทุกคนเลยนะว่าะนี้เป็นยังไง จิตเป็นยังไงเอาหลวงพ่อถามบ้างจิตก็ระลึกรู้สภาวะกายใจได้ขณเนี้ขาะนี้รู้ตัวเต็มที่ไหมรู้ค่ะตอนนี้รู้เต็มที่แล้วใช่ไหม <นะ S 1> จิตใจจิตใจเป็นอิสระไหมหรือไปตรึงมันไว้อิสระบ้างค่ะขนาะนี้อิสระไหมขณะนี้อิสระค่ะนะขณะนี้เราเกินจริงอยู่นิดหนึ่งรู้สึกไหม จิตใจของเราขนาดนี้กับจิตใจของเราตอนที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อหรือตอนอยู่บ้านเนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมค่ะกลับไปใช้จิตใจตอนที่อยู่บ้านค่ะนั่นตัวจริงของเราค่ะนะตอนนี้เราเราเกินจริงเราทําสํารวมเพราะเราตื่นเต้นใช่มใช่ตื่นเต้นเราก็เลยสํารวมรู้สึกไหมเราสํารวมกว่าความเป็นจริงรู้สึ ก, สกไหมจิตตอนนี้สว่างกว่าเมื่อกี้ทราบค่ะเออนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราเลิกแกล้งสํารวมแล้วเราปล่อยตัวจริงออกมานะค่ะ จิตโดยตัวของมันเองน่ะนะมันประพัดสอนตัวจิตเองมันประพัดสอนนะแต่มันเศร้าหมองเพราะเราไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมาต่างหากแล้วเราอย่าไปแกล้งทําอะไรขึ้นมาะปล่อยจิตตัวจริงให้มันทํางานออกมานะค่ะมันจะเห็นเลยว่าตัวจิตเองนั้นม่ะประพัดสอนมันผ่องใสเจ้าค่ะรู้สึกไ้มมันใสขึ้นพอเราเลิกไปกดมันค่ะทีหลังอย่าไปกดมันนะเอออย่างค่อยตัวจริงหน่อยอย่างเมื่อกี้บอกว่าตัวจริงหลวงพ่อไม่เชื่อเลย โยมมีคำถามว่าเวลาปฏิบัติในรูปแบบนะคะเอพอจิตสงบแล้วจะเห็นมันจะเห็นแวบว่าเห็นกายนั่งอยู่อะะถูกแล้วนี่แล้วไงอีกแล้วก็ก็เห็นจิตก็จิตก็ดูตามลมเข้าออกไนะอย่างนี้ถูกหรือเปล่าคะถูกนะแต่ว่าเวลาที่ไปรู้ลมเข้าออกนะอย่าน้อมจิตให้เบลเๆลงไปนะ ของคุณเคยชินกับกรรมฐานที่เคยทำมาพอไปรู้ลมแล้วจะน้อมใจให้มันซึมซึมไปนิดๆตัวนี้ไม่เอาไม่น้อมให้ซึมน ะ, ะหายใจเล่นๆเห็นไอ้ตัวนี้มันหายใจนั่งดูเหมือนดูคนอื่นหายใจเราไม่แกล้งทำใจอย่างี้อย่าไปน้อมอย่างนี้นะแล้วระหว่างในรูปแบบกับชีวิตประจาวันนะคะเราควรจะเราต้องทาทั้งคู่ทาทั้งคู่ <นะ S 1> ต้องทำทั้งคู่นะไม่ใช่ทำอันเดียว นี่ในรูปแบบมันไม่ค่อยเป็นประจำมันไม่ค่อยมีวินัย อ, อต้องมีวินัยสินะอย่างน้อยทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมอะไรเงี้ยสัทธรนาทีก็ยังดีนะทําในรูปแบบไว้ ใ, ให้มันคุ้นเคยถ้าคนเราปฏิบัติโดยไม่มีรูปแบบเลยนะไม่มีวินัยในตัวเองนะจิตมักจะฟุง้งซ่านดูเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ช่วงหนึ่งนะก็จะหลงๆไปหลงยาวนะการทําในรูปแบบจะทําให้เราหลงสั้นลงนะ เจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะคุณอาใช้ได้นะวันนี้อาใช้ได้คุณผู้ชายนี่ใช้ได้นะที่ตาแดงๆง่วงๆน่ะใช้ได้นะภาวนาทีละยึดใช้ได้การนมั ส, ส ก, การหลวงพ่อค่ะคือว่าอยากจะาถามหลวงพ่อว่าอที่ปฏิบัติมานี้เนี่ยสองปีแล้วแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอะค่ะเห็นกิเลสไหม เห็นกี่เลนเห็นค่ะเออแต่เดิมไม่เห็นตอนนี้เห็นนี่แหละคืบหน้าใช่ใช่แล้วละแต่เดิมหลงยาวตอนนี้หลงสั้นลงรู้สึกไหมใช่ใช่ค่ะนั่นแหละคืบหน้าอ๋อแล้วอยากถามหลวงพ่อว่ามีบางช่วงเนี่ยที่เรากําลังมีความโกรธโกรธจัดเนี่ยคือว่าใจเราจะเต้นแรงมากคือโกรธบางครั้งก็ระงับอารมณ์ได้แต่บางครั้งเนี่ยมันพุ่งออกมาทางวาจาเลยเพราะระงับไม่ได้ยัแไงแก้จะแก้มีวิธีแก้ยังไงบ้างอะคะแกไม่ได้ มันปลุกไปแล้วป <c oughs> ลุกไปแล้วนะก็รู้ทันว่าตอนเนี้ถูกกิเลสครอบงําไปแล้วนะแล้วเกิดเสียใจว่าไม่น่าทําอย่างนี้เลยรู้ปัจจุบันอีกว่ากําลังเสียใจนะอ๋อค่ะหัดรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆต่อไปสติ เ, เราจะเร็วพอสติเราไวขึ้นไวขึ้นเนี่ยกิเลสจะไม่ทันโตหรอกตัวเล็กๆก็ขาดไปก่อนอ๋อค่ะแล้วอ๋อเมืม่อเมื่อก่อนนี้นะคะที่ไปฏิัดใหม่ๆอ่ะ รู้สึกตัวเองในปวดหัวมากเครียดจัดเพราะว่าไปเพ่งไงฮะพอมาฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามก็รู้สึกดีขึ้นอื่าฮะดีสิคนที่ฝึกกับหลวงพ่อนะโอกาสจะไปอยู่ศีทัะญาบ้านสมเด็จนี้น้อยมากนะยังไม่เคยมีเลยเพราะกรรมฐานที่แท้จริงเนี่ยฝึกแล้วจะไม่เครียดอจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะค่ะจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยจะไม่เครียด เออคือว่าอยากทำหลวงพ่ออีกข้อนึงคือว่าบอกว่าเคยอ่านเจอในหนังสือนะคะบอกว่าคนที่รักษาศีลห้าถ้าไม่บริสุทธิ์หรือด่างพร้อยเนี่ยจะการปฏิบัติจะไม่คืบหน้าเลยจะแบบว่าหยุดเลยอ่ะแบบคือว่าจะต้องผ่องใสจริงๆไม่มีแบบด่างพร้อยเลยเงี้ยค่ะไม่ด่างพร้อยเลยถูกต้องต้องไม่ด่างพร้อยเลยในขณะที่อริยมรรคเกิดออแต่ว่าแตา่บางบางครั้งเนี่ยสมมุติว่าเราเราเร า, เราอยู่ในขณะที่เรา พูดคุยกับคนทั่วไปเนี่ยนะคะคือแบบบางครั้งอะกลุ่มคนที่มาคุยด้วยก็ดินทาคนนู้นบ้าคนนี้แบ้าบางทีเราก็ระลึกดได้ว่าเลยเราไม่พูดเราฟังเฉยแต่บางครั้งลืมตัวพระ่ะเรวมร่วมวงร่วมงวมงกับเขาเราก็ต้องรับอกุศลวิบาก <c oughs> นะพอเราคุยกับเขาเสร็จแล้วจิตเราจะต้องฟุ้งซ่านไปอีกช่วงหนึ่งแล้วก็รับกรรมของเราไป ค่ะเอ๋อขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะแล้วเชื่อหลวงพ่อไหมไอ้คนในกลุ่มที่ไปร่วมกันนินทาคนอื่นนะ่ะพอเราคล้อยหลังก็นินทาเราเหมือนกันใ ช, ใช่ค่ะเ <c oughs> จอบ่อยมากอื <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าธรรมชาติคนชอบนินทานะ <c oughs> แตอนนี้แหมร่วมมือกันเมา่นินทาคนอื่นนะพอ <c oughs> คนหนึ่งมันคล้อยหลังก็ก็นินทาไอ้คนที่หนีไป <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้พยายามค่ะฟังเฉยๆล้วจะบอกเขาว่าบางทีเขามาถามเราก็บอกว่าไม่ขอออกความเห็นนะคะ ขอฟังเฉยๆตอนนี้พยายามฝึกค่ะฝึกไปนะฝึกไปขอบคุณค่ะหลวงพ่อไม่ฟังไม่ได้หรือบางครั้งบางครั้งมันมันอยากรู้อมันอยากรู้ให้รู้ว่ามันอยากสิขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะอย่างเวลาที่เราไปฟังสิ่งที่ไม่ดีนะฟังแล้วใจเรามัน แต่เรามันแต่เราอินกับการคุยอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องมีวิบากเป็นอุปสรรคต่อการภาวนานะอย่างเราถือศีลห้าไว้ไม่ด่งพร้อยเนี่ยเราไม่ได้ไปทำวิบากไม่ดีขึ้นมาไนะภาวนาราบรื่นกว่ากันกาลนัมสตาหลวงพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้หนูภาวนานะคะแล้วหนูก็รู้สึกว่ากายมันเบาใจมันเบาขึ้นนะคะ พอหลังจากที่เบาแล้วรู้สึกว่าเห็นความทุกข์ทั้งกายทั้งใจเกิดความเบื่อหน่ายแต่พอหลังๆรู้สึกว่าพอภาวนาไปแล้วมันอึดอัดนะคะอคือมันน้อมใจเข้าไปแล้วนะค่ะใจไม่เป็นกลางนะใจไม่มีอิสระในการรู้กายรู้ใจจริงรู้สึกไหมมันซึมลงไปค่ ะ, <น>ะคือมันมันอึดอัดอยู่อยู่ภายในอะค่ะอย่าไปจงใจปฏิบัติอย่าจงใจดูมัน เวลาที่เราจงใจดูมากๆไปจ้องไว้นานๆนันเลยซึมไปเลยแล้วแน่นๆกิเลสจะโผล่แล้วก็รีบไปจ้องมันมันกดหดลงไปแล้วอื่นอัดขึ้นมาอีกทีนี้หนูจะหนูควรจะปฏิบัติยังไงต่อไปค่ะยังกระดุกกระดิกไว้ให้เยอะๆนะแล้วออกมาคุยกับคนเยอะๆไปดูเขานินทากันบ้างอะไรบ้าง <c oughs> นะ <c oughs> ให้มันกระทบกระทั่งอารมณ์นะมันจะได้หลุดออกจากถ้าอันนี้นอย่างตอนนี้หลุดออกม า, มามากกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหม เมื่อกี้ปิติดอยู่ข้างในเลยค่ะหมายถึงว่าหนูควรจะภาวนาต่อไปแล้วก็ให้มันสบายสบายขึ้นภาวนาสบายๆนะแล้วก็ไปกระทบอารมณ์นะไม่ใช่ภาวนาแล้วก็หลีกเลี่ยงอารมณ์ไปอยู่คนเดียวในถ้าอะไรเงี้ยปิดห้องอยู่คนเดียวซึมๆอยู่ทั้งวันอย่างนั้นใช้ไม่ได้ น, นั้นออกมากระทบอารมณ์ซะตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสอะไรเงี้ยใจแอบไปคิดปล่อยให้เขาทํางานอย่าไปกดให้เขานิ่ง ไปโกรธให้เขานิ่งมากไปค่ะแล้วทีนีออ้ถามถึงเรื่องที่แบบว่าเราควรจะทําความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเออหนูยังหนูยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเราไม่ได้ฝึกรู้สึกตัวตลอดเวลาน ะ, ะเราแค่หัดรู้สภาวะไปเรื่อย ๆ, ๆเช่นความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าโกรธความโลภเกิดขึ้นรู้ว่าโลภอะไรเงี้ยสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยใจเผลอไปคิดรู้ว่าเผลอไปคิดหัดรู้สภาวะไปเรื่อยแล้วสติจะเกิด สติเมื่อเกิดแล้วนะเราเจตนารักษาไว้ก็ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวก็ขาดสติเพราะฉะนั้นพอมีสติแล้วไปเดี๋ยวก็ขาดสติมีสติแล้วก็ขาดสติดังนั้นการที่จะบอกว่ารู้สึกตัวตลอดเวลานั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปพยายามฝึกให้รู้ตัวตลอดเวลาที่ทำผิดอยู่เนี่ยเพราะว่าพยายามจะรู้ตัวตลอดเวลา <c oughs> ให้รู้เผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้ดีกว่าให้รู้ตลอดเวลา รู้ตลอดเวลาไม่ใช่ภูมิที่แท้จริงของเรานะเป็นไปไม่ได้กลายเป็นการบังคับตัวเองจนซึมไปเลิกบังคับจะเลิกรู้ตลอดเวลารู้บ้างเผลอบ้างออกไปกระทบอารมณ์มันจะได้เผลอๆไปบ้างนะขอบพระคุณค่ะส่วนคนที่ชอบนินทานั้นเข้ากลุ่มน้อยลงเห็นไหมกลับข้างกันนะเห็นไหมกรรมาฐานอกลับข้างกันมาสการครับ อ, อจะจะการาบนะ เรียนถามหลวงพ่อเรื่องของศีลรับตะปลมาดนะครับ ะ, ระมาดครับเพราะว่าถืออุโบโสถอยู่แล้วทีนี้ก็มีความสงสัยว่าไอการที่ว่ารูปคำศีลเพราะในคืองง ง, งนะฮะ ร, รูปคำศีลเนี่ยคือมันเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระโสดาบันนะยังรูปครำอยู่คือคนที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยอดไม่ได้หรอกที่จะคิดว่าทํำยังไงแล้วจะดีทํำยังไงแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานเร็วๆนะ ถ้าคิดจะทำเมนะื่อไหร่ในศิลธรรตาปรามาธท้งนั้นเลยในความเป็นจริงสิ่งที่ไม่ใช่ศิลธรรตาปรามาธนะคือการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเทะนะ่านั้นเกินจากนี้แหะศิลธระตปรามาธนะครับถืออุโบสถถามว่าถือเพื่ออะไรคือถือไว้ว่าเป็นปัจจัยคือในกรณีที่เราคืออย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราก็ออกจากกามเอคือหมายถึงว่าเราก็ถูกฝึกเหมือนว่าสร้างเหตุเอาไว้ เพื่อคือเหมือนว่าเมื่อไหลได้ผลก็เมื่อนั้นได้ผลก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าว่าโอเคเราเราฝึกไว้นะแต่ว่าจะถือศีลแล้วให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องมีสตินะส่วนใจเราไหลไปทางการมเราก็รู้ทันนะหรือเราถือศีลมานานไม่มีความดั่งพร้อยเลยเราภูมิใจภูมิใจว่าเราดนะีคนอื่นสู้เราไม่ได้เราก็รู้ทันนะถือศีลแล้วเราก็มีสติคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเนือง ในความเป็นจริงเราถือศีลเนี่ยเพื่อลดเครื่องพลุงพลังทางใจนะแล้วเครื่องพลุงพลังนี่บางคนสมมุติสุขภาพไม่ไหวเลยนะจะไปถือศีลแปเลยถือแล้วเครียดเลยอย่าเงี้ยเรียกว่าถือแล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์ถือแล้วพลางพลังนะของคุณถือแล้วคุณสบายคุณก็ถือไปครับอาการนักการอีกข้อนึงครับเรื่องของบุพกรรมเนี่ยมีการตัดรอนในการปฏิบัติไหมครับมีสิเช่นเราภาวนานะจวนจะบรรลุมรรคผลอยู่แล้วตายซะก่อนอยเนี้ย หมายถึงว่าอย่างนี้ครับหมายถึงว่าไม่สามารถจะบรรลุให้คือไม่สามารถจะให้เกิดญาณปัญญาอย่างรู้แบบรู้ในสภาวะธรรมันก็มีมีแต่ว่ามีไม่มากนะอย่างทําอนันตริยกรรมมาอะไรเงี้ยนะเราก็คงไม่ค่อยได้ทําหรอกนะครอย่าไปกังวลครับเพราะฉะนั้นกรรมในอดีตเนี่ยแหวนเอาไว้ทํากรรมปัจจุบันให้ดีนี่ถึงจะเป็นชาวพุทธที่ดีนะไม่ใช่มุ่งไปแก้กรรมในอดีตแต่จงมุ่งทํากรรมที่ดีในปัจจุบันให้ถึงพร้อมน ถึงจะเป็นชาวพุทธนะชาวพุทธเราจะอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้ด้วยความงมงายใดๆเลยนะดีแล้วคุณใจของคุณถือศีลไว้ใจก็ปลอดโปร่งรู้สึกไหมครับใจเราปลอดโปร่งเรารู้ว่าปลอดโปร่งครัถือศีลดีนะเคยมีพระองค์หนึ่งบรรลุพระอราหันต์เพราะถือศีล น, นี่แหละนะสมัยพุทธกาลนะท่านภาวนาแล้วก็เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนะภาวนาไม่ได้วันหนึ่งท่านไปเชือดคอตาย ขณะที่ท่านเชื้อดคอไปแล้วยังไม่ทันตายเนี่ยท่านก็เสียใจว่าบวชมาทั้งทีไม่มีดีติดตัวเลยเสร็จแล้วท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่บวชมานี่นะตั้งใจรักษาศีลตลอดเลยพอท่านคิดว่าท่านตั้ ง, งใจรักษาศีลไม่เคยดังพร้อยนะจิตมีความสุขขึ้นมาคุณรู้สึกไหมเวลาคุณคิดถึงการมีศีลแล้วคุณมีความสุขใช่นี่เรียกว่าศีลานุสตินะพอจิตใจของท่านสงบสุขขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็มารู้กายที่มันกําลังจะตาย ใจเป็นคนดูอยู่ตังหากนะใจไม่กระเพื่อมหวั่นไหวสักแต่รู้สักว่าเห็นไปเรื่อยๆนะท่านเป็นพระอระหันต์ในขณะที่ตายพอดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตของคุณฟุ้งซ่านคุณก็นึกถึงศีลที่เรารักษาวไว้ดีแล้วนี่แหละจิตก็จะสงบขึ้นมาเรียกว่าศีลานุสตินะพอจิตสงบแล้วตามดูจิตต่อไปครับนะอย่าไปให้จิตเฉยๆนะถ้าสงบแล้วเฉยๆมันก็ได้แค่นั้นแหละชาติหน้าก็ไปถือศีลอีกแล้วก็ได้อย่างนี้อีก เก่งนะเป็นค า, ารวาสถือศีลแปดถือได้ทุกวันเนื้อ๋ อ, อวันป้ายก็ยังดีนะมีเบรกบ้างนะอ่ะใกลถึงไหนแล้ว ก, กับน้มัสการหลวงพ่อครับก็ข่าวที่แล้วส่งกันบ้านไปก็หลวงพ่อยังบอกว่ายังบังคับอยู่ครับมไม่ทราบว่าตอนนี้ดีขึ้นหรื อ, อยังแล้วบอกหลวงพ่อซิตอนนี้บังคับน้อยลงไหมก็ น, น, น่าจะน้อยลงนะน่าจะน้อยลงถูกแล้วน้อยลงแล้วไงอีกน้อยลงแล้วสบายขึ้นไหมก็ดีครับแล้วเห็นไหมว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนครับเออถ้าไปบังคับไว้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกนะันทื่อๆอยู่งั้นเลยนะเลขกกรรมฐานแบบหินทับหญ้าทับให้เฉยๆนะแต่พอเราไม่ทับนะเดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็งอกนะค่อยรู้ไปเรื่อยๆดีแล้วภาวนาใช้ได้ต่อไปคอยรู้กา ย, ยรู้ใจเนืองๆ น, นะ ครับพอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วต้องรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆอย่าเอาแต่รู้สึกตัวลอยๆอยอยู่เฉยๆนมัสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาครั้งแรกตามพี่น้องมาครับคื อ, อผมอยากจะเรียนคือผมอา่าคือเวลาผมทํางานเนี่ยบางครั้งเนี่ยอา่าก็ชอบคล้ายๆแบบว่าใจลอยบ่อยคือบางทีก่อนที่จะไปทํางานเนี่ยผมก็ต้องคิดล่วงหน้าว่าสมมติว่าขณะที่เดินอยู่ก็คิดว่า เออเดี๋ยวไปถึงเราจะคุยกับลูกน้องยังไงดีเนี่ยเพราะว่าลูกน้องเขามีเรื่องทะเลาะ ก, กันเราก็คิดไปแล้วพอเดินเดินไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าคล้ายๆแบบใจลอยไปอะไรอย่างนี้ครับว่าเวลาพอเลิกงานเสร็จกลับมาเวลาอาบน้ําบางทีก็คิดนู่นคิดนี้ระหว่างอาบน้ําบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนเผลอพูดออกมาเองผมก็ชักเริ่มรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยดีกลัวแบบว่าเอะต่อไปเราจะเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยชักเริ่มพูดกับตัวเองอะไรอย่างนี้ครับอืบางที คือควา ม, <ผ>มจริงนะความ ค, ความจริงนะเราพูดกับตัวเองทั้งวันแหละเพียงแต่ไม่ออกเสียงครับ <c oughs> ทีนี้ผมก็เลยอยากจะถามว่าอ่าอย่างผมเนี่ยลักษณะการทํางานเยคือผมทํางานเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยเหรอครับก็มันก็มีเรื่องคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีหลังๆนี่ผมรู้สึกว่าบางทีมันใจลอยมากไปมันทําให้แบบงานที่ทําอยู่บางทีสมมติเราตรวจคนไข้อยู่แต่บางทีเราก็ไปเพิบคิดเรื่องนู้นทำให้งานมัน เอองานไม่ไม่คอมครีอะไรเงี้ยอย่างนี้มผมต้องปฏิบัติยังไงดีครับก็ฝึกนะทุกวันกลับมาบ้านแล้วนะฝึกทําในรูปแบบบ้างนะเช่นหัดพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธเล่นๆอะไรเงี้ยพุทโธแล้วก็ใจหนีไปคิดก็คอยรู้พุทโธแล้วหนีไปคิดคอยรู้ฝึกอย่างนี้แต่ไม่ใช่ฝึกให้จิตไม่เผลอนะไม่ใช่ฝึกบังคับตัวเองไม่ให้เผลอเราไม่ฝึกบังคับแต่จะฝึกรู้ทันเวลาจิตเผลอพอมันรู้ทันชํานาญแล้วพอมันเผลอปั๊บเนี่ยต่อไปสติจะเกิดเอง เรามีหน้าที่ตรวจคนไข้เราก็จดจ่ออยู่กับ ง, งานจดจ่ออยู่ใจไหลไปคิดเรื่องอื่นปับ๊บสติก็จะเกิดขึ้นเองจะรู้ทันขึ้นมาเองงั้นต้องซ้อมนะหัดพุดโทไปเรื่อยๆแต่คุณหมออย่าไปตึงอย่างนี้ไม่ได้อะนะอย่างนี้ไม่ได้นะทื่อไปต้องทําใจให้เบิกบานยิ้มก่อนยิ้มทีหนึงยิ้มหวานๆ <c oughs> เออเนี่ยยิ้มอย่างเงี้ยแล้วเขินนิดๆรู้สึกไหมครั <c oughs> เ อ, อ่ยิ้มแล้วเขินรู้ว่าเขินเนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้อย่าไปแกล้งทํางี้นะ อย่างนี้ไม่ไม่ได้ฝึกส ต, ติหรอกครับยมันฝึกเก็บกด <c oughs> ไปไปฝึกเอานะฝึกเอาหมอมาเรียนกับหลวงพ่อเยอะนะที่วัดหลวงพ่อนี่หมอเยอะเลยหมอกับวิศวะเยอะเอาหินมาสามก้อนนักว้างในสาราหลวงพ่อต้องถูกหัวหมอหรือวิศวะสักคนขอบคุณครับ <c oughs> อาารเจ้าค่ะ <c oughs> ลูกขอโอกาสนะคะแล้ยกไมาอย่างนี้<อ>ไม่ไม่ใช่ยกป้ายยกใหม่<อ>มการมนุการเจ้าค่ะ<อ>ลูกขอโอกาสสอบถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ต้อ ง, องต้องทำเล่นๆนะอย่าจริงจังดูเล่นๆดูสบายๆดูแบบพอท์คลายนะดูเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วเราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไปจริงจังมากไปมันจะนิ่งไปจริงจังลดลงนิดนึง ลดความจริงจังลงนิดหนึ่งเคร่งเครียดไปทําให้สบายกว่านี้อีกเอายิ้มก่อนยิ้มก่อน <c oughs> เห็นไหมยิ้มก็เป็นกรรมฐานนะ <c oughs> เห็นไหมยืนเดินนั่งนอนมันกรรมฐานทั้งหมดแหละเนี่ยตอนนี้รู้สึกไหมใจผ่อนคลายกว่าเมื่อกี้เ <c oughs> นะใจผ่อนคลายเนี่ยให้ใจมันผ่อนคลายเนี้ยแล้วค่อยดูความเปลี่ยนแปลงเข้าไปเรื่อยๆถ้าเริ่มต้นอย่างเนี้ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง น, นะเริ่มต้นก็จ้องไว้แข็งปอกไม่ดีค่อยฝึกไปใช้ได้อยู่ แต่ลูกไม่ได้ติดสมถะใช่ไหมคะก็คล้ายๆ <c oughs> อย่าไปเพ่งนะ <c oughs> อย่าไปเพ่งอย่างนี้ต้องเพิ่มสมาธิอีกไหมคะไม่เพิ่มไม่เพิ่มเพิ่มความรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าไปกดใจให้นิ่งจะไปเพิ่มสมาธิมยิ่งกดเก่งเข้าไปอีก<ต>ให้ใจใจสบายๆ ย, ยิ้มไปเรื่อยๆยิ้มไยิ้มไปอย่างมีความสุขมีความผ่อนคลายรู้ตัวไปอย่างผ่อนคลาย กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะเนี่ยดูสิยัง ง, งงงอยู่เลยนะขอบคุณด้วย <c oughs> งงก็รู้นะสับสนรู้สึกไหมสับสนให้รู้ว่าสับสนนะอัดรู้สึกไปเรื่อยๆตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมใจหนีไปคิดก็รู้ว่ามันหนีไปคิดแล้วเ น, นี่ยเนี่ยไปทำใจให้นิ่งๆแล้วทราบไหมตรงนี้แหละที่ว่าติดสมถะไปทำใจให้นิ่งน้อมไปให้มันนิ่งๆไม่น้อมนะอย่าไปน้อม อย่าไปกลุ่มใจนะว่าทำไมยากนักยิ้มอีกทีหนึ่งก่อนแก้กลุ่มใจนะโอ้มันเครียดหนักกว่าเก่าเอางี้ลืมตาขึ้นมาเอามือลงทำตัวให้สบายๆถอนใจแรงๆหนึ่งทีเออรู้สึกไม่สบายขึ้นออนะเนี่ยรู้สึกตัวขนาดเนี้ยรู้สึกไปสบายๆขนาดเนี้ยใช้ได้แรงกว่านี้ใช้ไม่ได้ พอจะจําได้ยังมันเบาๆอย่างเงี้ยนะถ้าแข็งปึ๊กๆนี้ใช้ไม่ได้นเนี่ยเริ่มแข็งแล้วรู้สึกไหมลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อนลืมการปฏิบัติไปหันไปดูทางโน้นไปดูซิมีแม่ชีกี่องค์แล้วบอกหลวงพ่อรู้สึกไหมใจไปอยู่ทางโน้นเห็นไหมสดชื่นเลยรู้สึกไหมออย่าไปกดมันไว้จิตเหมือนเด็กนะยิ่งเราบังคับมันยิ่งเครียดปล่อยให้มันซนไปแล้วเราตามดูมันไป เห็นไหมพอให้มันสนแล้วมีความสุขรู้สึกไหมจำไว้หน้าปล่อยให้มันสนไปแล้วตามดูไปเจ้าค่ะเออดีใจละ <laughs> เมื่อกี้เลิกไม่ได้นะเลิกเครียดกลับบ้านเหนือจ่เครียดตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะไปถึงไหนละกราบนมัสการค่ะคื อ, เ, อ, อเวลาที่ปฏิบัติอะคะ่ะบางครั้งฟังซีดีหลวงพ่อหรือว่าพอรู้สึกว่าหันมาดูจิตแล้วจะรู้สึกตัวเอง โยกอยู่เสมอเสมอไม่ทราบว่าไปพระไปเพลงหรือว่าติดอะไรอะค่ะไปทําอะไรเสมอนะคือพอพอพอมีความนิ่งพอรู้สึกว่าเออตัวเองนิ่งแล้วก็มีมีสติก็จะรู้สึกตัวเองจะโยกอยู่เสม อ, อเสมอะคะ่ะไม่ทราบว่าติดอะไรอะค่ะของเรื่องอาการของสมาธินะตอนติด<อ>สมาธิหรือเปล่า<ส>จิตมันน้อมไปหาปิตนะินี่เป็นเรื่องของสมาธาิแตไม่ได้เป็นทุกครั้งอะคะ่นะออแสดงว่าจิตไม่ได้รวมเข้าไปตัวนั้นทุกที หลวลงพ่อตอนหัดใหม่ๆนะพอนั่งแล้วมันโยกยกนะเฮ้ยอะไรวะแปลกถ้าจะดีโยกอย่างนี้แหละช่วยมันโยกด้วยนะ <c oughs> โยกโยกสักวันหนึ่งคงจะเป็นพระอระหันต์ <c oughs> คือพยายามค้นหาว่าเออเราไปเพ่งหรือเปล่าถึงโยกแต่บางครั้งรู้สึกว่าเอ้มันเป็นมันเองอะค่ะให้รู้ว่ามันโยกแต่ว่าไม่ได้เป็นตอนที่ทําในรูปแบบนะคะห <c oughs> มายถึงว่าเวลาที่จะฟังซีดีหรืออะไรก็บางครั้งก็เป็นเองอ ย, อย่าตั้งใจแรงนัก <c oughs> ตั้งใ จ, ใจมากไปจิต<ช>มัน<ช>สงบ<ะ>ลงมานะพอสงบแล้วมันเลยโยกโยกแต่ถึงมันโยกก็ไม่เป็นไรโยกก็รู้ว่าโยกแต่อย่าไปช่วยมันโยกแล้วตอนนี้ต้องแก้ไขอะไรบ้างอะคะเครื่อนไหวนะแล้วก็ใช้เจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆนะส่วนความสงบก็ไม่ริ้งหรอกเคยฝึกทำความสงบมาแล้วจิตถึงเป็นอย่างนี้นมัสการท่านอาารเจ้าค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ กราบเรียนท่านอาจารย์นะเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ใช้พุโทโธมานานทีนี้ก็ออกจะติดสมาธิลึกไปหน่อยเจ้าค่ะก็มาพอดีมาได้ฟังซีดีท่านอาจารย์แล้วก็อ่านหนังสือก็ตอนนี้ก็เริ่มมีสติดีขึ้นรู้จักว่าอารมณ์ต่างๆแล้วก็แต่ก็ยังไม่หมดความรู้สึกว่าหนักแล้วก็แข็งนิดๆนะบางครั้ง แต่นั้นเราเคยชินนะนานๆไปก็หายไปแต่ก็รู้สึกว่าบางครั้งกายมันทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ด้วยเห็นไหมฝึกเริ่มดีแล้วเห็นไหมเราไปนะกายมันเจ็บเราไม่เจ็บกายมันตายเราไม่ตายด้วยแล้วก็และบางทีก็มองเท้ามองมือตัวเองก็มองว่าเอ็นี่ไม่ใช่ของเราเนี่ยแปลกๆเริ่มเป็นแล้วเห็นไหมเริ่มเห็นกายไม่ใช่เราแล้ว แล้วยมรู้สึกไหมความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าค่ะยอมรู้สึกไหมกิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่เราเห็นอยู่ว่าเป็นของนอกที่ไม่ใช่ตัวเราเห็นมหมยอมภาวนาเป็นแล้วนะเจ้าค่ะังนั้นยมดูไปทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ผ่านมาผ่านไปล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูไม่มีเราสักอันเดียวเจ้าค่ะอย่าไปเพ่งตัวผู้รู้ด้วยเจ้าค่ะไม่เพ่งก็ก็ในสภาพทั่วไปก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นแลก็ได้อาศัย ดีของท่านอาจารย์การหนังสือเป็นแนวทางดีนะภาวนาไปนะอนุโมทนายากนะที่คนที่ติดสมาธิแล้วหลุดออกมาจนเห็นขันห้ากระจายตัวออกไปแต่ละขันแต่ละขันเห็นแต่ละขันไม่ใช่เราด้วยเห็นแต่ละขันทำงานของมันไปไม่มีเราเจ้าค่ะแล้วก็บางครั้งก็จะนั่งก็ออกจากติดไปทางสมาธินิดนึงแต่ก็ไม่นานเจ้าค่ะจะมองเห็นตัวเองว่าเอ๊ะทไมมันเล็กลง อวูบไปแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันเล็กก็ปลอยก็ไม่ได้ติดตรงไหนเออไม่ติดนะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเจ้าค่ะดูไปนะอย่างเนี้ยเราถึงเดินใกล้มรรคผลเข้าไปเจ้าค่ะก็กเรียนท่านในการเพียงขั้นนี้ก่อนเจ้าค่ะโมทนาหน้าดีแล้วดีฝึกไปหน้าวันหนึ่งก็จะแจ้งว่าตัวเราไม่มีนับสรุปสรุปพวกเราในความเป็นจริงเราภาวนานะรู้กายรู้ใจไป แล้วเราก็จะเริ่มเห็นความจริงว่ากายก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เรากุศลอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เราจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เกิด ท, ท, ที่ตาเดี๋ยวก็เกิดที่หูเดี๋ยวก็หนีไปคิดนะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆในที่สุดจะเห็นว่าขันห้านะมีขึ้นมาแล้วก็หายไปนะ <ead S 1> เกิด แ, <ละ S 2> แล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราการที่เราเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีในขันห้าตัวเราไม่มีนอกเหนือจากขันห้าด้วย นี่เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะงั้นให้เรารู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเนืองๆไปนะวันหนึ่งก็จะเป็นพระโสดาบันปิดอบายไดนะเอาตัวรอดได้ชั่วคราวละยังเหลือลําบากอีกอย่างมากเจชาตนะิอีกเล็กน้อยนะถ้าไม่ขี้เกียจขี้คล้านนะก็เหลือสามชาติเหลือชาติเดียวหรือพระโสดาบันอีกพวกหนึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วก็ภาคเพียนต่อไปนะก็จบในชาตินี้ก็มีนะ งั้นต้องพักเพียรเป้าหมายแรกต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราคอยรู้กายค่อยรู้ใจรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะต้องรู้สึกตัวก่อนอย่าไปเพ่งให้นิ่งๆรู้สึกตัวทําใจปร่งๆเหมือนโยมเนี่ยใจปร่งๆขึ้นมาก็จะเห็นกายอยู่ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตนะสภาวะทั้งหลายก็แยกตัวออกไปสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวไม่มีตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งใจก็ปิ๊งขึ้นมา แต่ตอนที่เห็นว่าไม่มีตัวเราครั้งแรกเนี่ยใจยังกลัวอยู่บางคนยังกลัวบางคนรู้สึกเบือ่อบางคนรู้สึกเซง็งบางคนรู้สึกเวิร์งวางหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ถ้าเกิดสภาวะแปลกปลอมอย่างนี้ขึ้นก็ให้รู้ทันลงไปเหมือนกับกิเลส ต, ตัวอื่นๆนั่นเองให้รู้ลงไปกลัวก็รู้นะเบื่อก็รู้เป็นยังไงก็รู้ไปอีกในสุดใจจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นกลางพอใจเป็นกลางแล้วก็รู้สภาวะทั้งรูปธรรมานมามธรรมในกายในใจรู้ไปเรื่อยนะรู้ด้วยความเป็นกลางไปเรื่อยๆ ปัญญาก็จะเกิดเลยเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะบังคับไม่ไดนะ้เห็นอย่างนี้ใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งหยุดความปรุงแตง่งนะใจหมดจากความยินดีหมดจากความยินร้ายใจก็หมดความดิ้นรนปรุงแตง่งนะพอใจหมดความปรุงแต่งนี่นะอริยะมรรคจะเกิดขึ้นนะเกิดเองเลยนะจิตจะรวมเข้าอัปนาถเองเลยบางทีนั่งคุยกันอยู่อย่างนี้หรือนั่งฟงังหลวงพ่ออย่างนี้แหละจิตรวมข้าวอภินานะคนอื่นดูไม่ทันเลยนะรวมปุ๊บเดี๋ยวขาดออกไปแล้ว ถอยออกมาแล้วนะในเวลาเพียงเจขณะจิตเนี้ยถอยออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะทวนเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะจิตมันจะทวนเข้าไปพิจารณาเลยนะเมื่อกี้ในโลกธาตุไม่มีเหลือเลยว่างหมดนะตัวตนอะไรในโลกนี้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีนะจะเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้เลยว่ากิเลสยังเหลือต้องต่อสู้ต่อไปอีกจนะถึงครั้งที่4ี่นะครั้งที่4ี่จิตจะไม่ปรุงอะไรอีกแล้วจะเหลือแต่การทํางานของจิตล้วนล้นจะไม่มีความปรุงแต่งอีกแล้ว ให้ฝึกเอานะวันหนึ่งก็จะไปสู่จุดนี้ได้ทุกคนแหละถ้าไม่ไม่ท้อถอยเสก่อนถึงเวลาสมควรนะครับจะเรีเนยนเชิญญาติโยมทุกท่านร่วมกันถวายทานนะครับขะเจ้าทั้งหลายข อ, อน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์พระโมสปาโมดโช ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเาิุยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคขรังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปนรโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสพิติโยวิวัชชนตูสภโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจจายิโนจัตารโรธรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลัง